วาระวาระว่าด้วยอาบัตเท่าไรหนึ่งปราชิกกันคาถามคําตอบจำนวนอาบัตในปราชิกกันปราชิกศิกขาบทที่หนึ่งถามภิกษุเสศเมถุนธรรมต้องอาบัตเท่าไรตอบภิกษุเสศเมถุนธรรมต้องอาบัตส3อย่างคือหนึ่งเศเมถุนธรรมในแทรกศบที่ยังไม่ถูกสัตว์กัดกินต้องอาบัตปราชิก สเศพเมทุนธรรมในซากศพที่ถูกสัตว์กัดกินโดยมากต้องอาบัตทุนละจัย 3. สอดเข้าไปในปากที่อ้าแต่ไม่ได้ถูกต้องต้องอาบัตทุกกฏภิกษุเสพเมทุนธรรมต้องอาบัตสามอย่างเหล่านี้ปาราชิสิกขาบทที่สองถามภิกษุถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบภิกษุถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้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 มีราคาหนึ่งมาศกหรือน้อยกว่าหนึ่งมาศกต้องอาบัตทุกกฏพิกษุถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ต้องอาบัตสามอย่างเหล่านี้ปาราชิกสิกขาบทที่สถามภิกษุจงใจพรากายมนุษย์จากชีวิตต้องอาบัตเท่าไร่ตอบพิกษุจงใจพระกายมนุษย์จากชีวิตต้องอาบัตสามอย่างคือหนึ่งขุดหลุมพรางไว้เจาะจงมนุษย์ว่า บุคคลชื่อนี้จะตกลงไปตายต้องอาบัตทุกกฎสองเมื่อบุคคลนั้นตกลงไปได้รับทุกขเวทนาต้องอาบัตทุนละใจสามเขาตายต้องอาบัตปาราชิกภิสุจงใจพรากายมนุษย์จากชีวิตต้องอาบัตสามอย่างเหล่านี้ปาราชิกสิกขาบทที่สี่ถามพิสุกล่าวอวดอุตริมนุษธรรมที่ไม่มีอยู่ไม่เป็นจริงต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบ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 3. เมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอาบัตทุกกฎภิกษุกล่าวอวดอุตริมนุษธรรมที่ไม่มีอยู่ไม่เป็นจริงต้องอาบัตสามอย่างเหล่านี้ปรารชิกสี่สิกขาบทจบ 2. ส, สังขาที่เ ส, สะกัน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 ต้องอาบัตุนละใจสต้องอาบัตุ ก, กฎเพราะพยายามสกา ย, ยะสังสักะศึกษาบทภิกษุถูกต้องกายกับมาตุคามต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. ใช้กายจับต้องกายต้องอาบัตสังคาทิเศสองใช้กายจับต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอาบัตุนละใจสามใช้ของที่เนื่องด้วยกายจับต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอาบัตุ ก, กฎ สทุตทุนละวาจาสิกขาบทภิกษุผู้เกลี้ยมาตุคามได้วาจาชั่วยาบต้องอาบัตสามอย่างคือหนึ่งผู้ชมบ้างผู้ติบ้างพาดพิงถึงทวารหนักทวารเบาต้องอาบัตสังฆาทิเศตสอผู้ชมบ้างผู้ติบ้างพาดพิงถึงอวัยวะเบื้อง บ, งบนใต้รากขวัญลงมาอาวัยวะเบื้องต่ำเหนือเข่าขึ้นไปเว้นทวารหนักทวารเบาต้องอาบัตทุนละใจ 3ผู้ชมบ้างผู้ติบ้างภาพพิงถึงของที่เหี่ยวเนื่องด้วยกายต้องอาบัตทุกกฎ 4. อัตกามะบาริจริยาศึกขาบทภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต้องอาบัตส3อย่างคือ 1. กล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้ามาตุขามต้องอาบัตสังฆาทิเศษสอกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าบันเด ต้องอาบัตทุนและใจสกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าสัตยรชานต้องอาบัตทุกกฏ 5. สัญญจริตตสิกขาบทพิษุทธิำหน้าที่ชักสื่อต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. รับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัตสังฆาทิเศษสรับคำไปบอกไม่กลับมาบอกต้องอาบัตทุนละใจ 3. รับคำไม่ไปบอกไม่กลับมาบอกต้องอาบัตทุกกฏ 6. กุติการสิกขาบทภิกษุสร้างกูดีด้วยการขอเอาเองต้องอาบัตสาอย่างคือ 1. กํากำลังใช้ให้สร้างต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. ยังเหลืออีดอีกก้อนหนึ่งจึงจะเสร็จต้องอาบัตทุนละใจ 3. อีกก้อนสุดท้ายเสร็จแล้วต้องอาบัตสังฆาทิเศษ 7. วิหารการกศึกษาบทภิกษุใช้ให้สร้างวิหารใหญ่ต้องอาบัตสาอย่างคือ 1. นึ่กำลังใช้ให้สร้างต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. ยังเหลืออีกก้อนหนึ่งจึงจะเสร็จต้องอาบัตทุนละใจสามอีกก้อนสุดท้ายเสร็จแล้วต้องอาบัตสังคาทิเศต 8. ปดฐมทุตทะโทศศึกขาบทภิกษุใส่ความภิกษุ ด, ด้วยอาบัตปาราชิกที่ไม่มีโมล อ, อาบัตสาอย่างคือ 1. ไม่ขอโอกาสก่อนมีความประสงค์จะให้พ้นจากพรหมจรรย์จึงโจดต้องอาบัตทุกก ฎ, กฎกับสังฆาทิเศษสอขอโอกาสก่อนมีความประสงค์จะดา่าจึงโจดต้องอาบัตเพราะกล่าวเสียดสี 9. ทุติยะทุตตะโทสสิกขาบทภิกษุอ้างเอาบางส่วนแห่งอธิกรณ์เรื่องอื่นเป็นเล่ใส่ความภิกษุด้วยอาบัตปาราชิก ต้องอาบัตสาอย่างคือหนึ่งไม่ขอโอกาสก่อนมีความประสงค์จะให้พ้นจากพรหมจรรย์จึงโจดต้องอาบัตทุกก ฎ, กฎกับสังฆาธิเศษ 2. ขอโอกาสก่อนมีความประสงค์จะดา่าจึงโจดต้องอาบัตเพราะกล่าวเสียสยี 10. สังฆเพทะศึกขาบทภิกษุผู้ทำสง์ให้แตกกันถูกสงส่วนสมนุภาพครบสามครั้งก็ยังไม่สละเรื่องนั้น ต้องอาบัตสอย่างคือ 1. จบญาติต้องอาบัตทุกกฏ 2. จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุนลจัย 3. จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัต ส, สังคาทิเศษส1สังกเพทานุวัตกะศิขาบทพิษุทั้งหลายที่ประพฤตตามสนับสนุนพิษุผู้ทำลายสงถูกสงส่วนสมนุภาพครบสามครั้งก็ยังไม่สละเรื่องนั้นต้องอาบัตสอย่างคือ 1. จบญัติต้องอาบัตทุกกฎสจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุนละใจ 3. จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังคาทิเศสิสทุพจรสึกขาบทภิษุเป็นคนว่ายากถูกสงส่วนสมนุภาพครบสามครั้งก็ยังไม่สละเรื่องนั้นต้องอาบัตสาอย่างคือ 1. จบญัติต้องอาบัาาบ ต, ตออบทุกกฎ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 3. จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังคาทิเศษสังคาทิเศตสิบสาิกขาบทจบ 4. นิสักยะกกันจำนวนอาบัตในนิสักยะกัน 1>, 1. กถินนวัค 1. ปฐมกถินสิกขาบทภิกษุทรงอติเรจีวอนไว้เกินสิบวันต้องอาบัติหนึ่งอย่างคือนิสักคยปาจิตตีสองอุโทสิตะสิกขาบทภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรนสิ้นราตรีหนึ่งต้องอาบัติหนึ่งอย่างคือนิสักคยปาจิต 3. ตีสามตติยกถินนสิกขาบทภิกษุรับผ้าที่เป็นอาการะจีวรน แล้วเก็บไว้เกินหนึ่งเดือนต้องอาบัตหนึ่งอย่างคือนิสกิยปาจิตตีสี 4. ปูรานจีวรสิกขาบทภิกษุใช้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติให้ซักจีวรนเก่าต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งใช้ให้ซักต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อให้ซักเสร็จแล้วต้องอาบัตนิสคิยปาจิตตีห้าจีวรปฏิคหณสิกขาบท ภิกษุรับจีวรจากมือของภิกษุนีผู้ไม่ใช่ญาติต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อรับจีวรแล้วต้องอาบัตนิสัคขิยปาจิตตี 6. อัญญาตกะวินยติสิกขาบทภิกษุออกปากขอจีวรจากครหัสชายหรือครอหัสหญิงผู้ไม่ใช่ญาติต้องอาบัตสองอย่าง คือหออกปากขอต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อออกปากขอได้มาแล้วต้องอาบัตนิสกิยาปาจิต 7. ตีเจตตุตะตุตริสิกขาบทภิกษุออกปากขอจีวรนเกินกว่านั้นจากครหัตชายหรือครหัตหญิงผู้ไม่ใช่ญาติต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. ออกปากขอต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อออกปากขอได้มาแล้ว ต้องอาบัตในสักยญาปาจิตีแป 8. อุปปัคคตะสิกขาบทภิกษุผู้ซึ่งเขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อนเข้าไปหาคารหัดผู้ไม่ใช่ญาติแล้วกําหนดชนิด จ, จีวรนต้องอาบัตสองอย่างคือ1กําหนดต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม2เมื่อกําหนดแล้วต้องอาบัตในสักยญาปาจิตีเก 9. ทุติยอุปปัคตะสิกขาบท ภิกษุผู้ซึ่งเขาไม่ได้ประวรณาไว้ก่อนเข้าไปหาคราหัดผู้มิใช่ญาติแล้วกำหนดจีวอนต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำหนดต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อกำหนดแล้วต้องอาบัตนนสกิยปาจิตติส 10. ราชสิขาบทภิกษุให้เขาจัดจีวอนสำเร็จได้ด้วยการทวงเกิน3มครั้งยืนเกิน6ครั้งต้องอาบัตสอย่าง คือ 1. ให้เขาจะสำเร็จต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อเขาจะสำเร็จแล้วต้องอาบัตในสักคยปาจิตติก็ิินนวักที่ 1. จบ 2. โกศิยวัก หโกศิยะศึกขาบทภิกษุใช่ทำสรรถัดผสมใยไหมต้องอาบัตสองอย่างเคยหนึ like ่งกำลังใช่ทำต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อใช่ให้ทำเสร็จแล้วต้องอาบัตในสักยปาจิตติสองสุทธกาลกะศึกขาบทภิกษุใช่ทำสรรถัดขนเจีมดำล้วนต้องอาบัตสองอย่างเคยหนึ่งกำลังใช้ทำต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อใช้ให้ทำเสร็จแล้วต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีสามทาเวพาคสิกข า, ศศาบทภิสษุไม่เอาขนเจียมขาว1ส่วนขนเจียมแดงหนึ่งส่วนแล้วใช้ให้ทำสันทัดใหม่ต้องอาบัตสองอย่างคือ1กําลังใช้ให้ทำต้องอาบัตทุกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อใช้ให้ทำเสร็จแล้วต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีสี่ชาพัสสิกขาบท ภิกษุใช่ใทําสันทัดทุกปีต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังใช่ใทำํำต้องอาบัตทุกกฎเพราะเพยายามสเมื่อใช่ใทําเสร็จแล้วต้องอาบัตในสกิยปาจิตตีห้านิสีธนะสันทะตะสิกขาบทภิกษุไม่เอาสันถัดเก่าหนึ่งครื่องสุคดโดยรอบมาปนแล้วใช่ใทําสันถัดรองนั่งใหม่ต้องอาบัตสองอย่างคือ หนึ 1> 1. กำลังใช้ให้ธรรมต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อใช้ให้ทำเสร็จแล้วต้องอาบัตนิสกิยปาจิตตีหกเอละกะโลมะสขาบทภิกษุรับขนเจียมมาแล้วเดินทางไปเกิน3มโยน์ต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งเท้าที่1ผ่าน3มโยน์ไปต้องอาบัตทุกกฎ 2. ย่ายกเท้าที่สองผ่านไปต้องอาบัตนิสกิยปาจิตตีเจ็ 7. เอละกะโลมะโทวาปณ ะ, ะศึกขาบทภิกษุใช้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติให้ซักขนจีมต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังใช้ให้ซักต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อใช้ให้ซักเสร็จแล้วต้องอาบัตนิสกิยาปาจิตตีแปดรูปิยะศึกขาบทภิกษุรับรูปิยะต้องอาบัตสองอย่างคือ1กําลังรับต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อรับแล้วต้องอาบัตินิสกิยาปาจิตตีเก้ปิยสังโวหารสิกขาบทภิกษุทำการแลกเปลี่ยนกันด้วยรูปิยะชนิดต่างๆต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังแลกเปลี่ยนต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อแลกเปลี่ยนแล้วต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตี 10. บกิยะวิกะยะสิกขาบท ภิษุทำการซื้อขายมีประการต่างๆต้องอาบัตสองอย่างเคยหนึกำลังซื้อขายต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อซื้อขายแล้วต้องอาบัตในสักคิยปาจิตติโกศิยวักที่สองจบ ว่าหะตะศิกขาบทภิกษุทรงอติเรกบาดไว้กเกินสิบวันต้องอาบัตหนึ่งอย่างคือนิสัคียปาจิตตี 2. อ, อูอณะปัญจพันธนะศิขาบทภิกษุมีบาด ท, ที่มีรอยซ่อมหย่อนกว่าห้าแห่งขอบาดใหม่ใบอื่นต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังขอต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อขอได้แล้วต้องอาบัตนิสัียปาจิตตี 3. เพศสัชฉสิกขาบทภิกษุรับประเคนเพศสัตว์แล้วเก็บไว้ฉันเกินเจวันต้องอาบัดหนึ่งอย่างคือนิสัิยปาจิตตี 4. ีวัดศึกษาติกะสิกขาบทภิกษุสสแสวงหาจีวรคือผ้าอาบน้ำฝนเมื่อฤดูร้อนยังเหลือเกินกว่าหนึ่งเดือนต้องอาบัดสองอย่างคือหนึ่งกำลังสแสวงหาต้องอาบัดทุกกเพราะพยายาม สองสวงหาได้แล้วต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีห้าจีวระอัจฉรินณะสิกขาบทภิกษุให้จีวรแต่ภิกษุเองแล้วโกรธไม่พอใจชิงเอาคินมาต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังชิงเอาคืนมาต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อชิงเอามาได้แล้วต้องอาบัตินิสกิยาปาจิตตีหกสุตตะวินยติสิกขาบท ภิกษุออกปากขอได้มาเองแล้วใช้ช่างหูให้ทอจีวอนต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังใช้ให้ทอต้องอาบัตทุกกทเพราะพยายาม 2. เมื่อใช้ให้ทอเสร็จแล้วต้องอาบัตนิสกิยะปาจิตตีเจมหาเปส ก, การาศึกขาบทภิกษุผู้ซึ่งเขาไม่ได้ประวรณาไว้ก่อนเข้าไปหาช่างหูทั้งหลายของครหัตผู้ไม่ใช่ญาติแล้วกาหนดชนิดจีวร ต้องอาบัตสองอย่างคือ1นึ่กำลังกำหนดต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม2เมื่อกำหนดเสร็จแล้วต้องอาบัตนิสักยญาปาจิตีแป 8. อาเจกะจีวระศึกขาบทภิกษุรับอาเจกะจีวรนแล้วเก็บไว้เกินสมัยจีวราการต้องอาบัตหนึ่งอย่างคือนิสักยญาปาจิตตีเก้าสาสังกศึกขาบท ภิกษุเก็บไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งไว้ในละแวกบ้านแล้วอยู่ปราดเกินหกคืนต้องอาบัตหนึ่งอย่างคือนิสกิยปาจิตติส 10. ภริณะตาสิกขาบทภิกษุรู้อยู่น้อมลาบที่เขาน้อมไว้เป็นของจะถวายสงมาเพื่อตนต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังน้อมมาต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อ น, น้อมมาได้แล้วต้องอาบัตนิสกิยปาจิตติ ปัตวักที่3จบนิสกิยาปาจิตตีสาิสิกขาบทจบ 4. ปาจิตติยักันจำนวนอาบัตในปาจิตติยักัน 1. มูสาวาทวัก หมุสาวาทสิกขาบทถามภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ต้องอาบัตเท่าไร่ตอบภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ต้องอาบัตห้อย่างคือ 1. ภิกษุมีความปรารถนาชั่วถูกความอยากครอบงำกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีอยู่ไม่เป็นจริงต้องอาบัตปราชิก 2. ภิกษุโจทภิกษุ ด, ด้วยอาบัตปราชิกที่ไม่มีโมลต้องอาบัตสังฆาทิเศษ สาิกษุกล่าวว่าภิกษุรูปใดอยู่ในวิหารของท่านภิกษุรูปนั้นเป็นพระอรหันต์เมื่อผู้อื่นเข้าใจต้องอาบัตทุนละใจ 4. เมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอาบัตทุกกฎ 5. ต้องอาบัตปาจิตติเพราะกล่าวเทศทั้งที่รู้ภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ต้องอาบัตห้อย่างเหล่านี้ 2. โอมสวาตสิกขาบท ภิกษุกล่าวเสียสีต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กล่าวเสียสีอุปสัมบันิภิกษุต้องอาบัตปาจิตตีสองกล่าวเสียสีอนุปสัมบันิผู้ไม่ใช่ภิกษุต้องอาบัตทุกกฎ 3. เปสุญญาสิกขาบทภิกษุกล่าวสอเสียต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กล่าวส่อเสียอุปสัมบันิต้องอาบัตปาจิตตีสองกล่าวส่อเสียอนุปสัมบันิต้องอาบัตทุกกฎ 4. ี่ปทโสธรรมศึกขาบทภิกษุสอนอนุปสัมบันิให้กล่าวธรรมแข่งกันเป็นบทบทต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. นึ่กำลังสอนให้กล่าวต้องอาบัตทุกบทเพราะพยายาม 2. ต้องอาบัตปาจิตตีทุกทุกบทห้สหเซ ย, ยศึกขาบทภิกสุนอนร่วมกันกับอนุปสัมบันิเกิน2อถึงสคืนต้องอาบัตสองอย่าง คือ1กําลังนอนต้องอาบัตทุกบทเพราะพยายาม 2. เมื่อนอนแล้วต้องอาบัตปาจิตติห 6. ทุติยะสหสเสยสิกขาบทภิกษุนอนร่วมกันกันกบมาตุคามต้องอาบัตสองอย่างคือ1กําลังนอนต้องอาบัตทุกบทเพราะพยายาม 2. เมื่อนอนแล้วต้องอาบัตปาจิตติเจ็ดธรรมเทศนาสิกขาบท ภิกษุแสดงทำแกมมาตุคามเกิน5้าถึงหกคำต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. นึ่กำลังแสดงต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. ต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆบท 8. ผู้ภูตาโรชนะศขาบทภิกษุบอกอุตริมนุสธรรมที่มีจริงแก่อนุปสัมบันิต้องอาบัตสองอย่างคือ1นึ่กำลังบอกต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อบอกแล้วต้องอาบัตปาจิตตี 9. ทุตุลาโรจนสิขาบทภิกษุบอกอาบัตชั่วยาบของภิกษุแก่อโนปสัมบันต้องอาบัตสองอย่างคือ1งกำลังบอกต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อบอกแล้วต้องอาบัตปาจิตตีส 10. ปัทวีคณะนสิกขาบทภิกษุขุดดินต้องอาบัตสองอย่างคือ1งกำลังขุดต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. ต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆคราวที่ขุดมูสาวาทวักที่หนึ่งจบ 2. ภูตคา ม, มาวักหภูตคา ม, มาศึกขาบทภิกษุพระภูตคามต้องอาบัตสองอย่าง คือ1กำลังพลากต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม2ต้องอาบัตปาจิตติทุกๆคราวที่พลาก 2. อ, อัญญวาทกะศึกขาบทภิกษุนำเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนต้องอาบัตสองอย่างคือ1เมื่อสองฆ์ยังไม่ลงอัญญวาทกะกรรมกรรมที่จะพึงกระทำแก่ภิกษุผู้ผู้กลบเกลื่อนนำเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนต้องอาบัตทุกก 2. เมื่อสงลงอัญญะวาท ก, กรรมแล้วนำเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนต้องอาบัตปาจิตตี 3. อุชาปนักกะศึกขาบทภิกษุกล่าวให้ผู้อื่นเพ่งโทษภิกษุต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังกล่าวให้เพ่งโทษต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อกล่าวให้เพ่งโทษแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสี 4. ปฐมรสีนาชนะศึกขาบท ภิกษุวางเตียงต่างฟูกหรือเก้าอี้ของสองในที่กลางแจ้งแล้วเมื่อจะจากไปไม่เก็บไม่บอกมอบหมายต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. เดินล่วงเลทุบาทไป19ก้าต้องอาบัตทุ ก, กฎฏ 2. เดินล่วงเลทุบาทไปสองก้าต้องอาบัตปาจิตติห้ทุติยะเสนาสนาศึกขาบทภิกษุปูที่นอนในวิหารของสองแล้วเมื่อจะจากไปไม่เก็บ ไม่บอกมอบหมายต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. เดินล่วงเลยเครื่องล้อมไป1นก้าวต้องอาบัตทุกกฏ 2. เดินล่วงเลยเครื่องล้อมไป2อก้าวต้องอาบัตปาจิตติห 6. อนุปปัชชะสิกขาบทภิกษุรู้อยู่เข้าไปนอนแทรกแซงภิกษุผู้เข้าไปอยู่ในวิหารของสองก่อนต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. นึ่กำลังนอนต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม สเมื่อนอ น, อนแล้วต้องอาบัติปาจิตตี 7. เนื้ ก, กัฏฐนะสิกขาบทภิกษุโกรธไม่พอใจฉุดลาภภิกษุออกจากวิหารของสง์ต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังฉุดลากต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อฉุดลาภออกไปแล้วต้องอาบัตปลาจิตตี 8. เวหาสักุติสิกขาบท ภิกษุนั่งบนเตียงหรือบนตังอันมีเท้าเสียบนกุฏีชั้นลอยในวิหารของสงฆ์ต้องอาบัตสองอย่างคือ1กำลังนั่งต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อนั่งแล้วต้องอาบัตปาจิตตีเมหาลักกะวิหารราักสิกขาบทภิกษุดำเนินการมุงหลังคาวิหาร 2-3 ถึงชั้นแล้วดำเนินการเกินกว่านั้นต้องอาบัตสองอย่าง คือหกำลังดำเนินการต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อดำเนินการแล้วต้องอาบัตปาจิตติสิบสบปานกกศึกษาบทพิสุรู้อยู่ว่าน้ามีสิ่งมีชีวิตรดหญ้าหรือดินต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังรดต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อรดแล้วต้องอาบัตปาจิตตีผูตคามวัคที่สองจบ วัทวัค 1. โอวาทาศึกขาบทภิกษุไม่ได้รับแต่งตั้งสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังสั่งสอนต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อสั่งสอนแล้วต้องอาบัาาตปาจิตตีสองอัถังคตะศึกขาบทภิกษุสัส่งสอนภิกษุณีทั้งหลายในเวลาที่ดวง อ, อาทิตย์อัสดงแล้วต้องอาบัตสองอย่าง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 ภิกษุผู้เถระทั้งหลายสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายเพราะเห็นแก่อามิต h ต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. นึ่กำลังกล่าวต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อกล่าวแล้วต้องอาบัตปาจิตตีห้าจีวรธาณิกขาบทภิกษุให้จีวรแก่ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. นึ่กำลังให้ต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อให้แล้วต้องอาบัตปาจิตตี 6. จีวรสิปะณะสิกขาบทภิกษุเย็บจีวรให้ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติต้องอาบัตสองอย่างคือ1กำลังเย็บต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. ต้องอาบัตปาจิตตีในทุกๆรอยเข็ม 7. สังวิธานะสิกขาบทภิกษจชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกันกับภิกษุณีต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กำลังเดินทางต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม สเมื่อเดินทางไปแล้วต้องอาบัตปาจิตตี 8. นาวาพิโรหณะศึกษาบทภิกษุชิญชวนพิกษุณีโดยสารเรือลำเดียวกันต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. นึ่กำลังโดยสารต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายามสองเมื่อโดยสารไปแล้วต้องอาบัตปาจิตตี 9. ปริปาจิตตะศึกษาบทภิกษุรู้อยู่ชั้นบินทบาทที่ภิกษุณีแนะนําให้จัดเตรียม ต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. นึรับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกบทสต้องอาบัตปาจิตติในทุกๆคํากลืน 10. บพระโหนิสัชสะิกขาบทภิกษุนั่งในที่รับกับภิกษุณีสองต่อสองต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังนั่งต้องอาบัตทุกบทเพราะพยายาม 2. เมื่อนั่งแล้วต้องอาบัตปาจิตติโอวาทวักที่สจบ 4. โภชนะวัฏหอาวสถต a ปินทศกขาบทภิกษุชันพัตหารในที่พักแรมเกินกว่าหนึ่งมือ้อต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคด้วยตั้งใจว่าจะชันต้องอาบัตทุกกร 2. ฉันต้องอาบักกตออาบปาจิตติทุกๆคำกลืน 2. คณะโภชนะศึกษาบทภิกษุชันคณะโภชนะต้องอาบัตสองอย่าง คือรับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉันต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆคำกลืน 3. ปรัมประโภชนะสิกขาบทภิกษุฉันปรัมประโภชนะต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉันต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆคำกลืน 4. การณามาตุสิกขาบท ภิกษุรับขนมเต็มสองถึงสบาทแล้วรับเกินกว่านั้นต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังรับต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายามสองเมื่อรับแล้วต้องอาบัตปาจิตตี 5. ประถมปาวรณาศขาบทภิกษุฉันแล้วบอกห้ามประตาหานแล้วเคี้ยวของเคี้ยวหรือฉันของฉันที่ไม่เป็นเดนต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งรับประเคด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกก สฉันต้องอาบัติปาจิตติทุกๆคำเกลืน 6. ทุติยะปะวารณาสิกขาบทภิกษุนําของเคี้ยวหรือของฉันที่ไม่เป็นเดนไปปวารณาภิกษุผู้ฉันเสร็จแล้วบอกห้ามพระตาหารแล้วต้องอาบัติสองอย่างคือหนึ่งภิกษุรับไว้ตามคําของภิกษุนั้นด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันภิกษุผู้นําไปต้องอาบัติทุกกท 2. เมื่อพิสุผู้รับนั้นฉันเสร็จพิสุผู้นำไปปวารณาต้องอาบัตปาจิตตีเจ็ 7. วิกาและโพชนะสุขาบทพิสุเคี้ยวของเคี้ยวหรือฉันของฉันในเวลาวิการต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉันต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆคำกลืน 8. สันนิทิการะศึกขาบทภิกษุเคี้ยวของเคี้ยวหรือฉันของฉันที่เก็บสะสมไว้ต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งรับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉันต้องอาบัตปาจิตติทุกๆคำกลืน 9. ปณิตโพชนะศึกขาบทภิกษุออกปากขอโพชนะอันประณีตมาเพื่อตนแล้วฉันต้องอาบัตสองอย่าง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 โภชนะวักที่สจบ 5. อาเจลกะวักหอาเจลกะศึกษาบทภิกษุให้ของเคี้ยวหรือของฉันแก่อาเจลกะปริพาชกหรือปริพาชิ ก, กาด้วยมือตนต้องอาบัตสองอย่าง คือหกำลังให้ต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อให้แล้วต้องอาบัตปายจิตตีสออุญะโยชนะสิกขาบทภิกษุผู้กล่าวชักชวนภิกษุว่าท่านจงมาเถิดพวกเราจะข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านหรือในนิคมแล้วให้ทายกถวายหรือไม่ให้ทายกถวายแกภิกษุนั้นแล้วนิมนต์กลับต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังนิมนต์กลับ ต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อนิมนต์กลับแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสามสโภชนะสึกขาบทภิกษุเข้าไปนั่งแทรกแซงในตระกูลที่มีคนสองคนต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. นึ่กำลังนั่งต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อนั่งแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสี 4. ราโหปฏิชนะศึกขาบท ภิกษุนั่งบนอาสนะที่กำบังในที่ลับกับมาตุคามต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังนั่งต้องอาบัตทุกกดเพราะพยายาม 2. เมื่อนั่งแล้วต้องอาบัตปาจิตติห้าระโหนิสัชชะสิกขาบทภิกษุนั่งในที่ลับกับมาตุคามสองต่อสองต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังนั่งต้องอาบัตทุกกเพราะพยายาม สองเมื่อนั่งแล้วต้องอาบัดปายจิตตี 6. จริตะึกขาบทภิกษุรับนิมนต์ไว้แล้วมีพัะตาหารอยู่แล้วไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่เที่ยวสัญจรไปในตรกูลทั้งหลายก่อนเวลาฉันพัะตาหารหรือหลังเวลาฉันพัะตาหารต้องอาบัดสองอย่างคือหนึ่งก้าวเท้าที่หนึ่งล่วงธรณีประตูต้องอาบัดทุกกฎสองก้าวเท้าที่สองล่วงธรณีประตู ต้องอาบัตปาจิตตีเจ็ 7. มหานามศึกขาบทพิสูุออกปากขอเพยสักเกินกว่ากำหนดต้องอาบัตสองอย่างคือ1นึ่กำลังออกปากขอต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อออกปากขอแล้วต้องอาบัตปาจิตตีแปดอุยยยุตเตเสนาศึกขาบทพิสูจไปดูกองทัพที่เคลื่อนขบวนออกรบต้องอาบัตสองอย่าง คืนกำลังไปต้องอาบัตทุกกฎ 2. ยืนดูในระยะที่พอมองเห็นต้องอาบัตปาจิตตี 9. เสนาวาสศึกขาบทภิกษุพัพกแรมอยู่ในกองทัพเกินกว่าสามคืนต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังพักแรมอยู่ต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อพักแรมอยู่แล้วต้องอาบัตปาจิตตี 10. บอุยโยทิกะศึกขาบท ีิสุเที่ยวไปสู่สนามรบต้องอาบัตสองอย่างเืลอหนึ่งกำลังเที่ยวไปต้องอาบัตทุกกฎสองยืนดูในระยะที่พอมองเห็นต้องอาบัตปาจิตติอาเจและกะวักที่ห้าจบ